เมื่อว่านเย็นพวกเราหลายคนก็ได้ไปที่นักผาการที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นบนที่ที่สูงก็คงทำให้เรารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่บรรยากาศที่เปลี่ยนเท่านั้นแต่ว่าความรู้สึกหรือจิตใจของเราก็ก็คอยเปลี่ยนไปด้วย เช่นจะรู้สึกถึงความโล่งความโปรง่งหรือว่าความเบาอาการอยู่บนที่สูงเนี่มันจะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับว่ายิ่งเข้าใกล้ท้องฟ้ามากขึ้นท้องฟ้าก็กว้างใหญ่ไม่มีประมาณเบายิ่งเราใกล้ ไกล้กฟ้ามากเท่าไหร่นะเราก็จะรู้สึกใจเป็นเบามากทั้งนั้นอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อตัวเราอยู่บนที่สูงทํำรองเดียวกันถ้าใจของเราอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นนะยกระดับสูงขึ้นในความรู้สึกที่เบาสบายยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็ก็จะเกิดขึ้นกับเรา ตัวอยู่บนที่สูงเมื่อยืนอยู่บนเขาอยู่ที่หน้าผาจิตใจนะขึ้นสูงก็เมื่อได้สายธรรมะนะจิตใจสูงเมื่อได้บำเพ็ญทานได้รักษาศีลและที่สำคัญคือได้เจริญภาวนา เพราะว่าภาวนานนเป็นเรื่องการที่ฝึกจิตฝึกใจโดยตรงฝึกให้ฝึกให้ประณีตฝึกให้ขัดเกลาให้เบามีความเพียงแต่ตัวน้อยอัตราเล็กลงเบาบางลงจิตที่สูงก็เป็นจิตที่ที่สงบแต่ไม่ใช่ จะสูงได้เองนะต้องเกิดจากการฝึกหัดขัดเกลาอย่างที่พระเจ้าตรัสววจิตที่ฝึกแล้วจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วยอมนำสุขมาให้การฝึกของจิตก็เหมือนกับ ก, การปลดเผงสัมภาระต่างๆให้มันหลุดออกไปจากใจตัวกิเลสตัวตำหนัุปาทานี่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทวงเอาไว้ทวงจิตทวงใจไว้เมื่อเราได้ ปฏิบัติทรรมทานสีนภาวนาแล้วถ้าเราทำถูกต้องก็จะปล่อยปล่อยจะปล่อยมันจะวางมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆก็เกิดความเบาเมื่อเบาก็ตีก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นคล้ายกับบรลลูนนะบรรลูนเมื่อมันเบ า, บ ม, เบ า, ม, เบามันก็จะลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บนหน้าผามันยังมีอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตได้คือว่าเมื่อเรามองลงมาข้างล่างนะมันก็จะความแหลกความหลากหลายความแตกต่างก็จะค่อยเลือนหายไปยเช่นเมื่อเรามองไปที่ต้นไม้จะเป็นต้นไผ่ต้นมะค่านะต้นประดู่นะ ต้นยางเนี่ยมันก็ความแตกต่างนั้นค่อยๆเรือนหายไปเราเห็นแต่ความเหมือนมากวาความต่างถ้ามีคนอยู่ข้างล่างนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบันทีก็ยยกไม่ออกนะหรือว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครคนไหนเป็นคนรวยคนไหนเป็นคนจนอยู่ข้างล่างนี่ล้วก็ เห็นได้บอกได้ดูจากเครื่องแต่งกายนะคนจนก็แต่งกายแบบหนึ่งคนรวยก็แต่งกายแบบหนึ่งฝรั่งไทยเราก็แยกแยะได้แต่ว่าอยู่ข้างบนนี้ก็มองได้เห็นแต่เพียงว่านี่คือคนนะไม่สามารถจะมันความแตกต่างก็หายไปความเป็นหญิงความเป็นชาย เป็นพุทธเป็นคริสตเป็นฝรั่งเป็นเอเชียก็มันก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วถ้าเราสูงไม่ไปสูงขึ้นไปนะไอ้ความแตกต่างอย่างอื่นก็จะค่อยๆค่อยๆเลือนหายไปด้วยคนกับสัตว์นี่อย่างที่ก็ก็เห็นเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกัน เมื่อเราอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเห็นแม้กระทั่งว่าพรมแดนนะเส้นแบ่งขอบเขตประเทศที่เรียกว่าพรมแดนนี่มันก็ไม่มีแล้วเวลาเราดูแผนที่โลกดูแผนที่ประเทศมันก็จะเห็นเส้นเขตแดนต่างว่าตรงนี้เขตแดนตรงนี้ไทยตรงนี้พมา่ามันมีเส้นแบ่ง เรียกว่าเส้นพรมแดนตรงนี้ลาวแต่พอเราอยู่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ mm. ก็จะพบมันไม่มีเส้นแบ่งเลยไม่มีไม่สามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนตรงนี้คือประเทศไทยนี่คือพม่ามันเป็นผื้นเดียวกันหมดมันเป็นผืนโลกผื้นทันดินเดียวกันหมดเส้นสมมุติที่ใช้แบ่ง ประเทศนะแบ่งทวีปมันก็เลือนหายไปนั่นคือความจริงที่ป ร, กรากฏแก่สายตาของเรานะเมื่อตัวเราอยู่บนที่สูงในธรรมดเดกันเมื่อใจเรานะขึ้นอยู่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆอยันที่เขาเขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกโล ก, กุตตะในพระโล ก, กุตระนี่ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ กำหนดแบ่งผู้คนให้แตกต่างกันด้วยชาติด้วยภาษาด้วยศาสนาด้วยเศรษฐฐานะนี่มันก็เลือนหายไปผู้ย่างคือว่าสมมุติมันก็จะไม่ค่อยมีความหมายนะสิ่งเหล่านั้นคือสมมุตินะรวยจนพุทธคริสต์อิสลามพมา่าไทย ไอ้พวนี้มันเป็นสมมุติทั้งนั้นที่ใช้กำหนดความแตกต่างกับผู้คนซึ่งบ่อยครั้งก็ทำให้ไม่เห็นความเป็นมนุษย์นะแต่เห็นแต่ความเป็นเชื้อชาติต่างๆกันคนทุกวันนี้เนี่ยถูกครอบง น, นด้วยสมมุติมากนะเวลาเห็น แทนที่เห็นเป็นมนุษย์นะก็เห็นเป็นพ ม, ม่าเป็นคนไทยหรือว่าเห็นเป็นคนกรุงเทพคนอีสานะคนภาคกลางเป็นแมว่าคนรวยคนจนหรือไม่ก็สมมุติอีแบบนั้นก็เข้ามามีทิพผลเช่นศาสนาพุทธคริสตนะ์สมมุติเหล่า น, นี้มันก็ทำให้ ในบ่อยครั้งก็ทำให้เรามองคนแยกแยกกันแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกเห็นความแตกต่างกลายเป็นคนละพวกแทนที่จะมองว่าเออเป็นมนุษย์เหมือนกันกาเดียวกันในความเป็นความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสมมุติแบบหนึ่งนะซึ่งถ้าเรา ปอยให้มันครอบงำนะมันก็ทําให้เห็นว่าเรานี่ก็เหนือกว่าสัตว์นะสัตว์ก็เป็นอีกพวงหนึ่งที่อยู่ต่ํากว่าเราทั้งที่จะว่าไปแล้วเนี่ยมนุษย์กับสัตว์นี่ว่าโดยว่าโดยอโดยปรมัมภะแล้วนี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะก็เป็นประกอบไปด้วยขันธ์หาเหมือนกัน มีรูปนะรูปของเขากับรูปของเรานะมันก็จะว่าไปแล้วก็เหมือนกันก็คือประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อเจริญภาวนาถึงข้พิปัสนาเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นว่าเห็นถึงความจริงว่าแท้จริงแล้วนี่สิ่งที่เรียกว่าคนสัตว์นะมันเป็นแค่สมมุติ สิ่งคำที่ใช้เรียกนะเสื้อผ้านะก้อนหินภูเขาวพวกนี้ก็สมมุติทั้งนั้นมันบทบังรูปนะมันบทบังรูปนะที่สรรพสิ่งล้วนแต่นะมีทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมโดยที่สุดคือการที่เห็นว่าเรากับสิ่งนอกตัวนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย มีพระเถรศท่านหนึ่งสมัยพุทธกาลแล้วก็บำเพ็ญความเพียรและท่านก็ค่อยๆว่าคำหนึ่งคิดคำหนึ่งนะว่าทำอย่างเมื่อไรน้อนะหรือทำอย่างไรน้อเราจึงจะเห็นว่าธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภาย น, นอกนั้นเสมอกันธรรมชาติภายในคือนะรูปนามนะหรือว่าตัวเรานะ ธรรมชาติภานอกคือธรรมชาติที่เห็นเนี่ยต้นไม้ภูเขารงทั้งสิ่งสารสัตว์นี่เราธรรมชาติภายนอกแต่โดยที่ยงไม่บรรลุธรรมยังเห็นว่ามันมันคนละอันกันนี่ฉันมนุษย์นั่นสัตว์นั่นต้นไม้แล้วยังแยกแยะว่านี่ฉันในกอนเธอในขอหรือว่านางคอ เป็นคนละพวกยิ่งเป็นมาจากที่ต่างกันก็ยิ่งแยกเป็นคนละพวกมากขึ้นเช่นไทยนี่พมา่านี่โหฮิงยาเนี่ยอิสลามการที่ติดสมมุติเนี่ยมันทำให้เราแบ่งแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายมากขึ้นแต่เมื่อก็ตามที่เข้าที่ เข้าถึงความจริงขั้นปรมัติเนี่ยมันก็จะสมมติก็จะไม่มีความหมายก็จะเห็นนะว่ามันไม่มีเส้นแบ่งฉา น, นกับเธอหรือมนุษย์กับสัตวนะ์อย่างที่เวลาเราสวดเราพิจารณานะทาตุปัจเจกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอจิวานอาหารนะบินทบาท ยาลักษนาสันนายาลสาโล ก, นะก็เป็นสักวัฏธาตุ น, นะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่คือสมมุติเมือ่อเมื่อเห็นความจริงขั้นปรมาภนนิี่มันก็จะเห็นว่าโอ้สิ่งทั้งปวงก็เป็นสักวัฏธาตุเราสิ่งที่เรียกว่ารูปนะก็เต็มก็ประกอบไปได้วยธาตนะุสัตว์เองก็ประกอบไปได้วยธาตุนะ ก็เหมือนกันทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างกันไมย่ยกจิตขึ้นสูงนะด้วยอาการภาวนาเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะพ้นสมมุตินะคําว่าเหนือโลกในโลกุตตระในเห น, เหนือโลกคือเหนือสมมุติด้วยนะเหนือสมมุติก็คือเหน็นความจริงขั้นปรมามันไม่ยึด ต, ติดกับความจริงระดับสมมุตินะซึ่งมันเป็นความจริง หรือว่าเป็นบัญญัติที่คนเราเนี่ยผูกติดเหนียวแน่นมากจนกระทั่งเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นมาฉันพูดแกคริสฉันไทยแกโรฮิงจาพมา่าแล้วก็ทเลาะเบกแววงกันรวมทั้งการให้ค่ากับการมีการได้นะ เหนือโลดไม่ใช่แค่เหนือสมมติเท่านั้นนะแต่ว่ายังเหนือโลกธรรมด้วยได้ลาบก็เสื่อมลาบก็เหมือนกันนะได้ยศเสื่อมยศมันก็อย่างนั้นแหละเหนือโลกธรรมคือว่าไม่ไม่ยินดีเมื่อได้ลาบนะแล้วก็ไม่เสียใจเมื่อเสื่อมลาบนบะจิตใจมันคงเป็นปกติได้นะไม่หวั่นไหวนะ โลจะพันปวนแปดปวนยังไงนะใจก็ยังปกติเหมือนกับลมอ่ะลมก็สามารถทำให้ใบไม้มันไหวสั่นไหวแต่ว่านักภาวนานี่จิตยังยังนิ่งสงบได้ไม่ใช่ว่าพอลมพัดใบไม้มไหวจิตใจเริ่มเย็นสบายใจก็ฟูพอไม่มีลมใจก็แฟกเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิสัยของ ผู้ที่เป็นรักภาวนาหรือว่าผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกก็ยังแปรปวนไปจิตใจยังแปรปวนไปตามสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ได้รับอิทธิพลของสมมุติครอบำองำการภาวนาคือการที่จจทำให้จิของเราเนี่มัน อ, อยู่เหนือนะอยู่เหนือสมมตินะ อู่เหนือโลกธรรมแต่ผู้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าสมมติไม่มีประโยชน์นะตราบใดที่ยังอยู่ในโลกตัวยังอยู่ในโลกอยู่ยังเกี่ยวข้งของกับผู้คนสมมติยังต้องทิ้งไม่ได้นะจะไปบอกว่าไม่เอาสมมุติแล้วไม่ได้มีภาพบางรูปที่ท่านท่านสอนให้โยมนะไป ไปทำกิริยาหยาบคายกับพระพุทธรูปนะบอกว่ามันเป็นแค่ทองแดงทองเหลืองนะบางทีเอาเอามือตบเอาเท้าเตะก็มีนะเป็นข่าวคราวนะเมือ่อสองสามปีก่อนเหนะมือนกับว่าจะคลือว่าเนี่ยอันนี้มันสมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงอย่าไปมันไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันเป็นแค่วัตถุอย่าไปกราบไหว้มัน อันนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเรื่องสมมุตินะสมมตินี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งเวลวร้ายมันก็มีประโยชน์นะเหมือกัเงินทองเนี่ยครูเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่าให้รู้จักใช้สมมุตินี่มันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แต่ว่าข้อสำคัญคือว่าอย่าตกเป็นท่าของมัน ก็ทำลองเดียวกันนะสมมติเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวถ้าเราใช้สมมุตินะให้เป็นก็เกิดประโยชน์ถ้าเราเป็นท่าของมันนะอย่างซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นกันนะติดสมมติันมากก็เกิดโทษได้ง่ายนะเขาเขาชมก็ดีใจเขากดไลก็ยิม้มเขาไม่กดไลก็ทุกขนะ์นั่นก็สมมุติทั้งนั้นแต่คนก็ ปล่อยใจขึ้นลงไปตามคำสารสวนินทาต้องใช้สมมุติให้เป็นในในโลกของเราในส ม, มงเราก็มีสมมติเยอะสมมุติบางอย่างมันก็มาในรูปของประเพณีนะประเพณีก็ใช้ใถูกถ้าใช้ใไม่ถูกก็เกิดโทษเมื่อสักสีห้าวันก่อนกนะ็มันเป็นวันวันแม่ ก่อนวันนั้นวันหนึ่งหรือวันนั้นแหละก็มีการโพสภาพที่ไอ้จจได้ยินได้เห็นก็คือภาพลูกกราบแม่ก็มีภาพหนึ่งที่มีคนแชร์กันมากเป็นสองภาพติดกันภาพแรกนี้ลูกก็กราบภาพแรนี้แม่กราบลูกที่เป็นพระนะใส่บาศก์แม่ก็กราบลูก ภาพติติกันต่อมาคือว่าลูกก็กราบแม่ลูกนี่คือพระนะก็มีการแชร์กันหลายท่านก็ชื่นชมนะว่าโอ้ลูกนี่มีความกตัญญูนะแตก่ก็อีกอีกก็มีอีกหลายเสียงก็ไม่เห็นด้วยบอกว่ามันไม่ถูกก็มีคำถาม ว, ว่าทํานี้ถูกไหมพระซึ่งเป็นลูกนี่กราบแม่นะอั น, นจะพูดใทย พูดถึงการกราบเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีการแสดงความเคารพแล้วก็การแสดงความกตัญญนะูต่อพ่อแม่วิธีนี้มันก็มันเป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมานานแต่มันเหมาะกับคารวะถ้ารู้เป็นพระแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าธรรมเนียมไทยเนี่ยและธรรมเนียมชาวพุทธด้วยเนี่ยถึงแม้จะ จะถือว่าพ่อแม่สูงกว่าลูกแต่ในรายเดียวกันก็ถือว่าพระนี่สูงกัาคารว์ ด, ด้วยธรรมเนียมนี้มันมาด้วยกันเป็นคู่นะก็คื อ, คอพ่อแม่สูงกว่าลูกแต่ว่าพระก็สูงกับคารวะคารวะนี่เป็นใครก็แล้วแต่นะก็ต้องกราบไหว้พระและพระนี่นจะเป็นลูก คารวาเป็นพ่อแม่หรือแม้แต่คารวาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยมหาเล็กเนี่ยนะพอบวชพระนี่พระมหากษัตริย์ต้องไหว้เลยนะถึงแม้ก็กราบถึงแม้ว่าจะเป็นไพร่มา ก, ก่อนก็ตามแต่พอบวชแล้วก็ถือว่ามีเพศหมายเรืออุตตมเพศเป็นเพศที่สูง อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ถ้าจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้มันครบนะก็คือว่าเป็นคารวะนะลูกก็กราบแม่แต่ถ้าเกิดว่าลูกเป็นพระนี่มันก็ไม่สมควรนะที่จะกราบแม่ซึ่งเป็นคารวะในธรรมเนียมไทยหรือธรรมเนียมพุทธเนี่ยนะเวลาใครคนคนหนึ่งบวชเนี่ยนะเขาไม่ใช่เป็นเป็นนายกรนายคอยต่อไปนะ เรือจะเป็นแต่ว่าอที่สมมักนก็คือก็เป็นตัวแทนของของพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชออันนี้เป็นสถานะใหมายของของผู้ที่บวชเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรื่อเป็นตัวแทนของพระอาหารหันต์ก็ว่าได้เป็นตัวแทนของพระธรรมวินัยที่ชาวพุทธเรานับถือ เวลาพ่อแม่กราบลูกเนี่ยพ่อแม่กราบพระเนี่ยถึงแม่พระนี่จะเคยเป็นลูกมาก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ได้กราบลูกนะกราบตัวแทนของพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นสถานะที่สูงกว่าพูดง่ายคือ ก, กราบพระเหลืองนะไม่ได้กราบเรา หลายคนเนี่ยบางทีพราดจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปคิดว่าเขากราบเราพิสูจน์ได้ยังไงว่าเขากราบเรารุกับพระเหลืองก็ลองสึกดูสินะพอลองสึกดูเนี่ยเขาก็ไม่กราบแล้วบางคนเป็นครูบาอาจารนยะ์วก็มีคนกราบไหว้ยเยอะนะก็นึกว่าเขาเขากราบเราพอสึกออกไปนี่นอกจากเขาไม่กราบแล้วนะเขาก็ยังยังไม่เคยได้นับถือด้วยซ้ำนะลูกศิลูกหาก็ตีจากไปก็มีแสดงว่าที่เขา มากราบมามาคารวาเนี่ยเขากราบพระเหลืองเขาไม่ได้กราบเราพอไม่มีพระเหลืองคุ้มก็เป็นแค่คนธรรมดาหรือบางทีเป็นหมาด้วยซ้ำนะแต่ว่าที่เขากราบเขากราบเราเนี่ยถ้เป็นตัวแทนของสุ ป, ปฏิปันโนนะหรือผู้พระสงค์ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบ อังนี้เป็นธรรมเนียมที่มีมานานนะในชาติกาลนี่มีคารวะที่เป็นพระอรหันต์นี้เยอะมากนะแต่ว่าท่านก็กราบนะท่ากราบพระที่เป็นปุถุชนไม่ใช่ว่ากราบกันที่คุณธรรมนะเรื่องกราบไม่เกี่ยวคุณธรรมนะมันเกี่ยวกับสถานนะพระอรหันต์ที่เป็นคฤรหัดนะหรือที่พระอนาคามีนะก็กราบพระที่เป็นปุถุชน มีเนนสายวการที่เป็นพระรหั์นะแต่เนนก็กราบพระนะเนนกกราบพระพระก็เป็นปุถุชนนะอันนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องของประเพณีเรื่องธรรมเนียมซึ่งพุทธศาสนานี่มันจะสอนให้ให้ไปพ้นสมมุตินะแต่ว่าตาใดที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกก็ต้องใช้สมมติให้เป็น อันนี้เมื่อเราเมื่อเราเมือเม่อเรามีความเมื่อเรามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยมันก็มีสมมุติว่าสมมุติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีซึ่งเราเรียกว่าประเพณีคือการกราบเพื่อแสดงความเคารพสมมุตินี้ก็ก็มีว่าเนี่ยลูกก็ควรกราบพ่อแม่แต่ว่ามันก็มีสมมุติที่พ่วงมากับประเพณียี่หายนีงคือว่า คารวาสนะก็ต้องกราบพระสงฆนะ์หรือผู้ยังพระสงฆ์นี่กราบคารวาไม่ไดนะ้ไม่สมควรอันนี้ก็ต้องถ้าใช้สมมุติให้เป็นก็ต้องใช้สมมุติให้มันครบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้การที่ผู้ที่โพสเฟสบุ้นเนี่ยเขาจะทำได้เจตนานดีนะแต่ว่าเขาก็ใช้สมมุติไม่เป็นนะนะ เขาใช้เขาเอาการกราบเนะี่ยเขาเชื่อรับสมมุติที่ว่าเออลูกต้องกราบพ่อแม่แต่ว่าเขาทิ้งสมมุติอีกแบบหนึ่งนะที่มันสําคัญนั้นก็คือว่าพระเนี่ยนะไปกราบคาราวะไม่ได้ที่จริงการกราบก็เป็นการแซงความกตัญญูแต่ว่าการแสซมความกตัญญูก็กกกทําได้หลายอย่างนะผู้ที่เป็นพระนี่อยากจะแซมความกตัญญูต่อต่อพ่อแม่ ก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกราบก็ได้แล้วไม่มีวิธีที่เดียวการกราบเยอยกราบนี่มันเป็นแค่รูปแบบนะเป็นแค่สัญลักษณ์แล้วผูเจ้าตัดว่าเนี่ยพ่อแม่นบุมีบุญคุณมากแต่ตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดแม่จะเอาพ่อมาวางบนบาทเอาพ่อวางบนไหลบาทซ้ายเอาแม่วางบนไหลบนบาทขวาแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยบนิบัติพัตดีบนนั้นแหะ นะอาบน้ำเช็ดตัวก้อนข้าวหรือว่าพุทธลับให้พ่อให้อุรธลับปั ส, สวะตรงนั้นเลยแล้วแม่พ่อแม่จะมีอายุถึงร้อยปีนะทำไปทุกวันทุกวันจนพ่อแม่อายุครบร้อยปีก็ยังไม่ถือว่าได้ได้สนองคุณท่านได้บริบูรณ์นะแต่วิธีที่สนองคุณท่านได้คือการพาให้ท่านได้มาพบธรรมะ ถ้าพ่อแม่ไม่มีสีลก็ให้ได้มีสีนไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาไม่มีจาค้าก็ให้มีจาค้าไม่มีปัญญาก็ให้มีปัญญาอันนั้นแหละจึงจะเป็นการตอบแทนพ่อแม่ที่ที่ดีที่สุด ส, สนองคุณได้อย่างสมบูรณ์ที่ลองลงมาก็อาจจะเช่นว่าพ่อแม่ป่วยก็ดูแลเยียวยาท่านเป็นพระก็ทำได้นะตามสรรมรวิสัยพ่อแม่ป่วยก็ดูแลหรือว่า ยากจนหิหวโหยก็อาบินทบัติมาเลี้ยงอย่างพระนันทิยะนี่ก็เอาบินธบัตนี้ไปเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่นี่เคยร่ำรวยเป็นเศรษฐีตอนหลังก็ยากจนพระนันทิยะทีแ่แรกว่าจะศึกมาไปดูแลพ่อแม่แต่ตอนหลังก็ได้ฟังธรรมพุทธา ก, ก็รู้ว่ามันมีวิธีอื่นนะก็คือบินทยังเป็นพระอยู่แนละ้วก็บินธบัติเลี้ยงพ่อแม่มีพระไปตําหนินะไปไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ ก็สรรเสริญ น, นะพระนันทิยะว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือการแสดงความกตัญญูรู้คุณอันนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นเรื่องของอเรื่องของการที่รู้จักสมมุติให้เป็นใช้สมมติให้ถูกที่จริงเนี่ยเวลาบวชพระเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าก็คือการละทิ้งครอบครัวไปมีครอบครัวใหม่ไปมีสังกัดใหม่สังกัดใหม่คือคณะสง มีตัวตนใหม่นะตัวตนนี้เนี่ยนอกจากจะต้องโกนหัวห่วมเหลืองแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะถ้าสักเคร่งนี้เรียกว่าเปลี่ยนใหม่เลยนะไม่ใช่จารสมเมโทโธในชื่อโรเบิร์ตโรเบิร์ตแจ็กแมนเนะพราะบวชนี่ก็ชื่อสูมเมโทโธนะไม่ใช่พระโรเบิร์ตสุมเมโทโธนะแต่ว่าสุมเมโทโธอย่างเดียวเลย ที่จริงพระภัยสาวิสาโลนี่นะ่จริงกงไม่ถูกนะถ้าเรียกถูกก็ถือพระวิสาโลทิ้งชื่อเดิมไปเลยนะดำนามสกุลเดิมก็ทิ้งไปด้วยมีนามสกุลใหม่นะก็คือวิสาโลลุซูเมโตอันนี้เรียกเป็นชื่อใหม่ไม่ว่าทิ้งอัตลักษณ์เดิมนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามีครอบครัวใหม่ละมีพ่อมีแม่ใหม่คือปัชชาอันนี้ก็สมมุตินะแต่ว่า ก็ถือว่าคัญเหมือนกันแต่แมก้กระั่นั้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะทิ้งพ่อแม่ได้นะพ่อแม่ป่วยก็ต้องดูแลอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติที่ต้องใช้ให้เป็นนะมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจด้วยอันนี้นอกจากเรื่องของสมมติแล้วเนี่ยนะเรื่องของการเรื่อ ง, องการมองแบบแยกแยะนี่ก็สําคัญนะในเรื่องการในเรื่องการเกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆรวมทั้งการตอบแทนผู้มีพระคุณตอนตอนแดบผู้มีพระคุณนอกจากจะรู้เรื่องเข้าใจเรื่องสมมุติแล้วก็ต้องรู้จักมองแบบแดบแบบแยกๆอาจารย์สุมเมทโธเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่บวชเนเนี่ยก็หาครูบาอาจารย์นะก็ไปประเทศลาวเพื่อไปต่อวีซ่าเข้าเมืองไทยก็ไปเจอพระรงคหนึ่งกิริยาเลื่อมสายน่าเลื่อมสายชื่อว่าพระสมหมาย ท่านก็มีอาจารย์เรียบร้อยสามเณสุมเมธโตก็ศรัทธาก็เลยคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าท่านมีอาจารย์รอยูรูปหนึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยอยู่อุบล น, นะชื่อหลวงพ่อชาสามณรสุมมสมเมธโต ก, ก็ก็ประทับใจในะรเรื่องเล่าก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็จะมาขอปฏิบัติกับหลวงพ่อชา ก็ไปบวชที่นนองคายวัดเดิมวัดเดียวที่ท่านบวชสามเณรเสร็จแล้วพระสมหมายนี่ก็พาไปพาไปหาหลวงพ่อชาก็เป็นได้เป็นเนี่ว่าเป็นผู้ที่พาให้ท่านได้รู้จักกับหลวงพ่อชาเป็นคนแรกเมื่ออยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าไม่จําไม่ท่านก็ไม่บอกกี่ปีนะพระสมหมายก็ศึกศึกไปแล้วปรากฏว่า เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะก็คือว่ากลายเป็นคนติดเหล้าอติดเหล้าแบบติดแบบเรียกว่าเมาแยมเปเลยนะคนละคนละมันก็เป็นคนละคนกันตอนที่เป็นพระตอนนี้เป็นพระนี่เคร่งวินัยมากนะจูจีขี่บ่นว่าคนนี้ทําผิดวินัยคนนั้นทําผิดวินัยนะคอยบ่นนะคอย ค่อยว่าพระรูปนั่นรูปนี้ว่าไม่เคยทําผิดวินัยทํำต้องอาบัติเพลงมากเนแต่ว่าพอตัวเองสึกไปนี่กลายเป็นคนละคนเลยมันก็สุดตรงไปอีกทางเนี่ยคือกินเหล้าเมายาทํางานการไม่ทําจนมระทั่งกลายเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนอาจารย์สุมเมโทนี่พอเห็นอย่างนี้ก็รังเกียจนะรังเกียจไม่อยากให้ใครรู้เลยนะว่าเนี่ยพระสมหมายนี่พระ ท่านมาบวชมาหาอาจารย์สุเมโทโธไม่ให้ใครรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายสมหมายคนนี้นะเคยเกี่ยวข้องกับนายสมหมายคนนี้มาก่อนเพราะรู้สึกอับอายมากเวลาพูดก็พูดเวลาพูดถึงทิศสมหมายก็ท่านก็พูดด้วยความรังเกียจเมื่อรู้ถึงหูของหลวงพ่อหลวงพ่อชาย ท่านก็เรียกมาตักเตือนนะบอกว่าสุมเมโธนะเวลาเจอที่สมหมายนี่ก็เรียกให้เรียวาอาจารย์นะ mm hmm. ให้เรียวาอาจารย์สมหมายเพราะว่าอาจารย์สมหมายเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเธอนะพาให้เธอมารู้จักกับวัดหนองประพง์นะ อันนี้เป็นนี่บุญคุณนะเขาจะติดเหล้าเมา ย, ยางก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเขามีบุญคุณกับเราก็ต้องสําเกในบุญคุณของเขานะให้เรียกว่าอาจารย์สมหมายนะทุกครั้งเลยนะอาจารย์คุณเมโธก็ได้สตินะก็เห็นความดีของทิศสมหมายว่าได้ทําให้ให้ได้มาพบครูบาอาจารย์หลังนั้นก็เลยเรียกว่าทิศอาจารย์สมหมายเป็นประจำ ท่าทีก็เปลี่ยนไปตอนหลังท่านไปอังกฤษไปอังกฤษท่านก็ติดตามข่าวคราวของทิ่สมหมายเวลากลับมาเมืองไทยก็หากอกบมาเยี่ยมทุกครั้งเอาของมาฝากทั้งที่ทิ่สมหมายนี่ก็เมานะแต่พออาจารย์สุเมโทมาหาก็รู้สึกดีขึ้นพออาจารย์สุเมธโทเลาวาอาจารย์สมหมายก็รู้สึกมันก็ได้สติขึ้นมา แต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวตอนหลังอที่ส ม, มัยนี้ก็กลายเป็นคนเละล่อนแต่ว่ก็ดีมีพระที่ท่านรู้จักก็สร้างกุฏิให้อยู่สร้างกระต๊อให้อยู่เอาอเอาข้าวก้นบาตมาให้กินมือแม่ก็ให้ของมาให้บ้างแต่ก็ยังที่ส ม, มัยก็ยังเป็นพวกเระร่อนชอบคุยขยาหากิน ตอนหลังก็โดนรถชนตายขณะที่เดินข้ามถนนนะอาจารย์สุเมโอนี่ไม่ได้ปางงานศพแต่ว่าพอพอกลับมาเมืองไทยก็ไปคาราวะนะอัฐินะแล้วก็ก็ก็กยังพูดถึงอาจารย์สมหมายอยู่เรื่อยๆนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายนี่ถ้าไม่มีอาจารย์สมหมายกม็มีสุเมโทโนะ มีสุมเมทโธมีพระสุมเมทโธก็เพราะมีอาจารย์สมหมายเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดจะจะบวชหรือเปล่านะเพราะเป็นแค่สา ม, มเณรแต่พอเจอพระสมหมายก็ทําให้ตัดสินใจบวชเพื่อได้ไปอยู่น้องประพงศ์พบหลวงพ่อชาท่านก็พูดอย่างนีน้ถ้าไม่มีอาจารย์สมหมายก็ไม่มีพระสุมเมโธนะมีพระสุมเมทโธก็เพราะว่ามีอาจารย์สมหมายเนี่ยก็เป็นก็เป็นคนที่มีพระคุณมาก อันนี้ก็เป็นเรื่องของของอันนี้ก็ให้ง่ายคิดกับคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะเพราะบางคนนี่ลูกบางคนนี่ก็มีความสึกไม่ดีกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ดีว่าไม่ดีอย่างนี้ที่พ่อแม่กินเหล้าเล่นการพนันไม่น่าครบยิ่งมาปฏิบัติธรรมแล้ว ย, ยิ่งลังเกียจพ่อแม่มากขึ้นเพราะว่าไม่มีศีลเลยนะเล่นการพนันเล่นกินเหล้า บางคนเป็นอย่างนั้นนะคือยิ่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งเกรีดพ่อแม่มากขึ้นเหมื่อเห็นพ่อแม่ไม่มีศีลตอนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ค่อยรู้สึกรังเกียแบบนั้นเรื่องนี้ก็ก็เป็นข้อเตือนใจว่าเนี่เออแล้วนะพ่อแม่จะเป็นสมมุตินะแต่ว่าก็ต้องมองให้เป็นมองแยกๆด้วยว่าบนคุณข้อดี อาบุญคุณเนี่ยอันไหนบ้างที่เป็นบุญคุณนะถึงแม้ว่าจะมีความไม่ดีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่ดีก็หรือส่วนที่เป็นบุญคุณก็ต้องยอมรับและตระหนักที่ย่างนี่เป็นท่าทีนะที่เป็นท่าทีต่อทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะพ่ อ, พอแม่เวลาเจอใครเนี่ยคนเราก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนะี่ย พระเจ้าบอกว่าให้รู้จักมองข้อดีของเขาเหมือนกับคนเหมือนกับจะไปตักน้ําในสระนะแต่ว่าสาระมันมีหนอกมีจอกน้ำอยู่เต็มเลยจอกน้ำอยู่เต็มนี่ทํางานมันตักน้ําไม่ได้ก็ต้องจับแวกนะแหวกจองน้ำไปเพื่อให้มันได้สามารถตักน้ำเอาไปใช้สอยใช้สอยได้นะคนทั้งหลายเนี่ยอคนบางคนนี่ก็ ดูเหมือนว่าไม่มีข้อดีเอาซะเลยนะเห็นแต่ข้อเสียหมดนะแต่พระเจ้าบอกว่านี่ยะพึ่งต้องมองเห็นข้อดี เ, าเขาด้วยนะเหมือนกับมกับสาสตร์ที่มีจองแ้น่เนี่ยถ้าเราแค่แหวกจองแหน่ไปก็จะเห็นน้ำที่อามาใช้ตักเป็นประโยชน์ได้อันนี้เป็นท่าทีในการมองผู้คนต่างๆซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์อันนี้พระเจ้าก็พูดนะแน่สาหรับการมีท่าทีต่อ คนคนคนที่เรียกว่าอยู่รอบตัวนะเช่นหมู่มิดไม่ได้ใช้ไม่ใช่เป็นทาทีสำหรับพ่อแม่แต่ว่าที่จริงก็มาใช้ได้ยิ่งเป็นพ่อแม่ก็ยิ่งยิ่งต้องมองให้เห็นถนึงบุญคุณของท่านแม้ว่าแต่พฤติตัวหน้าละอาหน้ารังเกียจอย่างไรอย่างขนาด ทิ่สมายนี่นะก็ไม่ใช่พ่อแม่นะแต่ว่าอาจารย์ชาก็สอนให้รู้จักสำนึกใมืุนคุณเพราะว่าพาให้อาจารย์สุมเมทโทได้มาบวชได้ได้มารู้จักกับน้องประพง์อันนี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่งการมองแบบรู้จักมองแบบแยกแยะนะไม่ใช่ไปติดอยู่ที่รูปแบบอย่างเดียว